บุกทูเจ็ดสิบแปดเจ็ดปคำคุณศัพท์หนึ่ง adjective หผู้หญิงชาราหนึ่งคนเส r a n งว a นิตา t ัว ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนเศรษฐีวานิตาแกมุกผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนเศรษฐีวานิตา n ี่อยากทราบรถใหม่หนึ่งคันเศรษฐีวานิตาที่อยากรถความเร็วสูงหนึ่งคัน sebuah mobil yang ค์ที่เรรถนั่งสบายหนึ่งคัน sebuah mobil yang nya ี่นชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด sebuah baju biru ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด sebuah baju merah ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด sebuah b a จ u h ิ j a u กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบเศษว่าทัชสีดำกระเป๋าถือสีน้าตาลหนึ่งใบ sebuah ทับบชช็อกกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบเศษว่าทัชส คนใจดีหลายคน orang-orang yang ramah คนสุภาพหลายคน orang-orang yang sopan คนน่าสนใจหลายคน orang-orang yang menarik เด็กน่ารัก anak-anak yang menyenangkan เด็กดื yang de <k> de. ้อนักนักยังลั a นชั่งเด็กดีนัก a ักยังนัคั